6. ปริโพธะปัญหาพยากรว่าด้วยการแก้ปัญหาปริพภดสี่ท่านมหากัสปะถามว่าการเดาะกถินกำหนดด้วยการหลีกไปอันพระผู้มีพระภาคผู้เป็นเผ่าพันธ์แห่งพระราชาผู้สูงสักตรัสไว้แล้วก็ข้าพระเจ้าขอถามท่านถึงการเดาะกถินนั้น ปริโภตอย่างไหนขาดก่อนท่านพระอุบาลีตอบว่าการเดาะกระถินกำหนดด้วยการหลีกไปอันพระผู้มีพระภาคผู้เป็นเผ่าพันธ์แห่งพระราชาผู้สูงสักต์ตรัสไว้แล้วก็เมื่อภิกษุหลีกไปด้วยคิดว่าจากทิ้งอาวาสนี้เสียปริโคตในจีวรขาดก่อนปริโคตในอาวาส ขาดพร้อมกับภิกษุนั้นไปนอกสีมาท่านมหากรสปะถามว่าการเดาะกถินกำหนดด้วยธรรมจีวรเสร็จอันพระผู้มีพระภาคผู้เป็นเผ่าพันธ์แห่งพระราชาผู้สูงสักตร์ตรัสไว้แล้วก็ข้าพระเจ้าขอถามท่านถึงการเดาะกถินนั้นปริพเทยอย่างไหนหนอขาดก่อน ท่านพระอุบาลีตอบว่าการดอกกระถินกําหนดด้วยธทมจีวรเสร็จอันพระผู้มีพระภาคผู้เป็นเผ่าพัน์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้แล้วก็เมื่อภิกษุหลีกไปด้วยคิดว่าจากทิ้งอาวาสนี้เสียปริโโทษในอาวาสขาดก่อนเมื่อทมจีวรสำเร็จปริโโทษในจีวรขาด ท่านมหากระสปะถามว่าการเดาะกระถินกำหนดด้วยการตกลงใจอันพระผู้มีพระภาคผู้เป็นเผ่าพันธ์แห่งพระราชาผู้สูงสักตรสไว้แล้วก็ข้าพระเจ้าขอถามท่านถึงการเดาะกรถิ่นนั้นปริพเทอย่างไหนขาดก่อนท่านพระอุบาลีตอบว่าการเดาะกถินกำหนดด้วยตกลงใจ อันพระผู้มีพระภาคผู้เป็นเผ่าพันธ์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ปรัสไว้แล้วก็เมื่อภิกษุลีกไปด้วยคิดว่าจากทิ้งอาวาสนี้เสียปริพศทั้งสองขาดพร้อมกันท่านมหากระสปะถามว่าการเดาะกะถินกำหนดด้วยผ้าเสียหายอันพระผู้มีพระภาคผู้เป็นเผ่าพันธ์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ รัดไว้แล้วก็ข้าพระเจ้าขอถามท่านถึงการเดาะกะถินนั้นปริพเทอย่างไหนขาดก่อนท่านพระอุบาลีตอบว่าการเดาะกะถินกำหนดด้วยผ้าเสียหายอันพระผู้มีพระภาคผู้เป็นเผ่าพันแห่งพระราชาผู้สูงสักรัดไว้แล้วก็เมื่อภิกษุลีกไปด้วยคิดว่า จากทิ้งอาวาสนี้เสียปริพอดในอาวาสขาดก่อนปริพอดในจีวรขาดเมื่อผ้าเสียหายท่านมหากระสปะถามว่าการเดาะกระถิ่นกําหนดด้วยได้ทราบข่าวอันพระผู้มีพระภาคผู้เป็นเผ่าพันุ์แห่งพระราชาผู้สูงศักรรดิ์ตรัสไว้แล้วก็ข้าพเจ้าขอถามท่านถึงการเดาะกระถินนั้น ปริภโค์อย่างไหนขาดก่อนท่านพระอุบาลีตอบว่าการเดาะกะถินกำหนดด้วยได้ทราบข่าวอันพระผู้มีพระภาคผู้เป็นเผ่าพัน์แห่งพระราชาผู้สูงสักตร์ตรัสไว้แล้วก็เมื่อพิกจุลีกไปด้วยคิดว่าจากทิ้งอาวาดนี้เสียปริพโค์ในจีวอนขาดก่อนปริพโค์ในอาวาส ขาดพร้อมกับการได้ทราบข่าวของภิกษุนั้นท่านมหากรสปะถามว่าการเดาะกะถินกำหนดด้วยสิ้นหวังอันพระผู้มีพระภาคผู้เป็นเผ่าพันแห่งพระราชาผู้สูงสักตร์ปรัดไว้แล้วก็ข้าพระเจ้าขอถามท่านถึงการเดาะกะถินนั้นปริพเ์อย่างไหนขาดก่อนท่านพระบาลีตอบว่า การดอกกระถินกําหนดด้วยสิ้นหวังอันพระผู้มีพระภาคผู้เป็นเผ่าพันธ์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้แล้วก็เมื่อภิกษุลีกไปด้วยคิดว่าจากทิ้งอาวาสนิเสียปริโพศในอาวาสขาดก่อนปริโพศในจีวรขาดต่อเมื่อสิ้นหวังในผ้านั้นท่านมหากษัตรถามว่า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 ผู้เป็นเผ่าพันธ์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้แล้วก็เมื่อภิกษุหลีกไปด้วยคิดว่าจากทิ้งอาวาสนี้เสียปริโทธในจีวรขาดก่อนปริโทธในอาวาสขาดเมื่อภิกษุนั้นไปนอกสีมาท่านพระหมหากัะสปะถามว่าการเดาะกรถินกำหนดด้วยเดาะพร้อมกันอันพระผู้มีพระภาค ผู้เป็นเผ่าพันธ์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้แล้วก็ข้าพระเจ้าขอถามท่านถึงการเดาะกรถินนั้นปริพเทอย่างไหนขาดก่อนท่านพระอุบาลีตอบว่าการเดาะกรถินกำหนดด้วยเดาะพร้อมกันอันพระผู้มีพระภาคผู้เป็นเผ่าพันธ์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้แล้ว ก็เมื่อภิกษุหลีกไปด้วยคิดว่าจากทิ้งอาวาสนิเสียปริพธททั้งสองอย่างขาดพร้อมกันการเดาะกะถิน416ถามการเดาะกะถินที่สงเป็นใหญ่มีเท่าไรการเดาะกรถินที่บุคคลเป็นใหญ่มีเท่าไรการเดาะกรถินที่สงไม่เป็นใหญ่บุคคลไม่เป็นใหญ่ มีเท่าไหร่ตอบการดอกกรถินที่สงเป็นใหญ่มีอย่างเดียวคือการดอกในระหว่างการดอกกรถินที่บุคคลเป็นใหญ่มีสี่อย่างคือการดอกกรถินกําหนดด้วยการหลีกไปการดอกกรถินกําหนดด้วยทำจีวรเสร็จการดอกกรถินกําหนดด้วยตกลงใจการดอกกรถินกําหนดด้วยล่วงเขต การดอกกรถินที่สงไม่เป็นใหญ่บุคคลไม่เป็นใหญ่มีสี่อย่างคือการดอกกรถินกำหนดด้วยผ้าเสียหายการดอกกรถินกำหนดด้วยทราบข่าวการดอกกรถินกำหนดด้วยสิ้นหวังการดอกกรถินกำหนดด้วยดอกพร้อมกันการดอกกรถินภายในสีมาเป็นต้นถามการดอกกรถินเท่าไร ดอกภายในสีมาการดอกกระถินเท่าไรดอะภายนอกสีมาการดอกกระถินมีเท่าไรดอกภายในสีมาก็มีดอกภายนอกสีมาก็มีตอบการดอกกระถินสองอย่างดอภายในสีมาคือ 1. น่ดอกในระหว่าง 2. องดอพร้อมกันการดอกกระถินสามอย่าง ดาะภายนอกสีมาคือ 1. นึ่งดอกกถินกำหนดด้วยหลีกไป 2. องกำหนดด้วยได้ทราบข่าว 3. ามกำหนดด้วยล่วงเขตการดอกกถินสี่อย่างดาะภายในสีมาก็มีดาะภายนอกสีมาก็มีคือ 1. นึ่งดอกกถินกำหนดด้วยทำจีวรเสร็จ 2. กำหนดด้วยตกลงใจเป็นที่สุด 3. เดาะกถินกําหนดด้วยจีวรเสียหาย 4. กําหนดด้วยสิ้นหวังการเดาะกถินเกิดพร้อมกันเป็นต้นถามการเดาะกถินเท่าไรเกิดด้วยกันดับด้วยกันการเดาะกถินเท่าไรเกิดด้วยกันดับต่างกันตอบ การดอกกระถินสองอย่างเกิดด้วยกันดับด้วยกันคือ 1. ดึ่อกในระหว่าง 2. ดงอกพร้อมกันการดอกกระถินนอกนั้นเกิดด้วยกันดับต่างกันกะถินเพทะจบ